ความสุขความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุง่วายส่วนมากเป็นอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นความดีถ้าไม่ให้ความบมงคับบรงชาในทางที่ดีมันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาจากความพุ่ง้านวุ่นวายทิพยสายแตกไปในแง่ต่างๆโดยห้าเหตดหาสาระไม่ได้แต่ผลที่จะพึงได้รับนั้นมันเป็นสาระสาคัญอันหนึ่งที่จะให้เราเกิดความกระตุกกระเทือนได้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 และพยายามทำจิตให้มีความสงบแน่วแลงไปโดยลำดับด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมานี้เจริญแนวเจริญเล่าจนมีความพมิชฌนาน า, ากระทั่งจิตได้รับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความจำนานในการภาวนาเพื่อความสงบจิต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 เรื่องมันก็มีแต่ยุดยักยิก่งาอยู่ภายในจิตมียิ่งเห็นได้ชันะดสํารวจเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุ้ยเคียบปุดค้นด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณะนะไม่ว่าทุกเอียบดแล้วิ่นกลายเป็นทุกขณะที่จิตกระเพื่องตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่องรู้ทั้งขณะที่ดับไป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 ทราบได้อย่างชัดเจนภายเนจิตนี่นนที่ว่าโลกหน้ามีไหมหรือไ ม, ม่ตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็วคือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิดเคยตายซ้ํๆซากๆมามอยู่ไม่พอจยึยไม่สามารถจําเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลํำบากของตอนในภพน้อยภพใหญ่น่าคือตัวนี้ทีนี้ประมวล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 ตายแล้วปิดหรือตายแล้วศูนย์โลกหน้ามีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมอันนี้ก็ถามว่านรกสวรรค์มีไหมแล้วก็ที่เกียวจะตอบไม่ทราจะตอบกันไหนพราผู้แบบนรกสวรรค์ก็คือหัวใจก็คุณมีอยู่กับทุกคนแล้วจะตอบไปให้เสียไปเรงเวลาทําไมแก้ตัวตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์แก้เหตุหรือบำรุงเหตุ ในทางที่ดีแก้เหตุ้นทางที่ชั่วเสอยความทุกข์มันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกผิดแล้วมันจะผิดตรงไหนแล้วเพราะสอค้าทำสอนให้แก้ที่ถูกที่จุดไม่มีผิดไงธรรมะนิยานิกรรมก็นำผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอานาจแห่งความรุ่งหลงด้วยส่อค้าทํานั้นดีแล้ว แก้ที่ตรงไหนท่าไม่แก้ที่จิตปัญหาอันใหญ่โตก็มีที่จุดนี้เท่านั้นความรู้อันนี้แหละหยากก็คือความรู้อันนี้ละเอียดก็คือความรู้อันนี้ทําให้คนยากทําให้คนละเอียดก็คือความรู้อันนี้เพราะที่ละเอียดเป็นเครื่องหนุนหลังทาให้ละเอียดก็เพราะความดีเป็นเครื่องหนุน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 ได้ตัวแล้วก่อยู่กับตัวให้มีเท่านั้นพระมโนพริเจ้าไม่จะหลอกคนให้ดูนั่นทำนี้เอาตัวปิ้ที่ตรงนี้ภารกิจะป็นทาเห็นไม่สมคือ